ว่าเนี่ยต่อไปก็จะเป็นหลักเกณฑ์ได้ดีหลักเกณฑ์ก็คือหลักธรรมผู้ปฏิบัติธรรมมีความเข้มงวดขวดขันและธรรมต้องมีขึ้นภายในพระในเนื้มีขึ่นภายในวัด ที่มีสมบุกสมบูรณ์นะเอก็มีอะไรหายสมบุกสมเนี่ยคือคือวัดที่เป็นหลักคืนอยู่กับเจ้าของวัดนะคืออยู่กับพระเจ้าพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตัวดีสุปฏิปันโนปฏิบัติดีตามหลักธรรมหลักนี้หน่ย ก็ิตปัณโนวุ่นชุกงไปกงมาตามแถวแนวของธรรมของนินงย่ายยะปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งมักผลวิวาญจริงๆไม่มีอมิตถึงจ้ารางวัลรางวันอะไรเข้ามาก่อขวนสามีจิตปฏิปันโนปฏิบัตินิยัตจำม่ำสมเมือ นากรบบ่าบไาวบูชา <c oughs> ตัวเองออก็อบอุ่นในตัวเอง <c oughs> ยังไม่มีอะไรก่อนก็ตามขอให้มีสีบริสุทธิ์ความเป็นผู้มีสีบริสุทธิ์เนเยนถ้าใช้เพียงสีเทา่านี้อีกใจก็กล้าหารถานไทยเราจะเห็นได้ในเวลาไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าในเขาซึ่งเป็น ด้วยสัตว์ด้วยเนื้อเสือต่างๆที่เป็นไทยเป็นอันตรายมีศีลเท่านั้นกล้าหางทางไขยคืงมีความอบอุ่นในตัวเองสัตวเหล่านั้นเขาไม่บริสุทธิ์เช่นด่างเสืออย่างนี้เขาไม่บริสุทธิ์เขาไม่มีธรรมเราเป็นผู้มีธรรมธรรมนี้เป็น ความสว่างสวัยเป็นความ่เย็นแก่โลกทำยินอ่ในเราเรามีความ่มเย็นเป็นสุขสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาไม่มีธรรมยิงไม่มีความโสตกสทตว์าตุเกาสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีธรรมแม้จะเป็นอันตรายก็ตามอยู่ด้วยความอบอุ่นด้วยสียงเป็นภาต พ, พื้นนี้หมายเป็นท่านผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อมักเพื่อผลเพื่อรู้แจ่มแจ่พลุตามทางของศาสะดาจริงๆท่านปฏิบัติอย่างนั้นศีลเป็นธรรมที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้ในระยะที่ยังไม่มีธรรมเป็นพื้นฐานแน่น้ำมัน่นคงต้องอาศัยศีลเป็นพื้นฐานฝากศีลจิตใจกับศีลของตนฝากเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้ว ถึงจะเป็นจะตายเวลาได้คนมุนคนมีธรรมในใจต้องไปตามสายบุญของตนสายธรรมของตนสายบุญสายธรรมนี้ย่อมพาไปสู่สุขติโลกสวรรค์ไม่ไปทางต่ำแม้จะตายด้วยเหตุผลกนใจอะไรก็ตามธรรมนี้ไม่ตายอยู่ภายในหัวใจ รประคับรคองเจ้าของให้หอยู่ค้นจากทุกเป็นลาดับธรรมดาไปีเรียกว่าธรรมเรียกว่าศีลส่วนหยากเขาเรียกว่าศีลความจริงก็คือธรรมส่วนหยากนั่นแหละอือยู่ที่นั่นสบายศีลบริสุทธิ์แล้วอยู่ไหนสบายสบายถ้ามีศีลด่งคอยจิตใจเดือดร้อนรักษาละสายนะถ้าจิตถ้าศีลบริสุทธิ์แล้ว อบอุ่นภายในจิตใจจะเป็นจะตายก็ฝากไว้กับสิงกับธรรมเลยชี่ิตจิตใจอยู่กับสิงกับธรรมอย่างเดียวมีความอบอุ่นสุดท้ายก็ไม่กลัวสิ่งภายนอกที่ว่าเป็นภัยมีเสือเป็นต้น <c oughs> อยู่ด้วยความอบอุ่นเกาะสิเกาะธรรมมีความร่ำเริงเป็นสุขอยู่ในป่าในเขาอย่างนั้น ท่านมีนิตตะภานาสติธรรมปัญญาธรรมประครับประคองจิตใจไม่พลาดจากกันอันตรายได้ที่จิตมันมักจะย่ยบออกไปหลอกเจ้าของว่าเสืออยู่ที่ไห น, นอันตรายอยู่ที่นี่จะระงับดับไปเพราะอารมณ์ของธรรมมีภายในใจคอบไว้หมดจิตใจก็ได้รับความสงบร่อง็น เมื่อเรามีธรรมภายในใจเฉพาะผู้ที่ยังตั้งรากฐานไม่ได้ก็ถือคำบริกรรมเป็นสัมผัสเราจะบริกรรมคำใดก็ตามนะตามแรปรใจมีส่ชอบเพราะธรรมมีหลายประเภทที่ควรแปรใจจิตใจของใครก็นำเข้ามากํากับใจเป็นคำบริกรรมเช่นพุโทโธพุโทโธเป็นต้น หรือธรรม โ, รโหรือสางโคหรือไม่นับสติเราจะเรียกทำบทใจก็ตามนั่นคือธรรมด้วยกันมีคุณค่าเท่ากันเมื่อจะอยิตใจใสยชอบทำบุตรใจย่อมนําทำบุตรนั้นเข้ามากํากับรักษาใจใจ <c oughs> <c oughs> เมื่อมีธรรมเป็นเครื่องกํา ก, กับรักษาอยู่แล้วจะมีความสมบงบล่องหนอาชานชานชันชย อยู่ภายในจิตใจในท่ามกลางแห่งอันตรายทั้งหลายที่เบื้องตน้นจิดมากว่าภาพหลอกตัวเองว่ามีอันตรายอยู่ที่นั่นที่มีมีเสือเป็นต้นและภาพเหล่านั้นจะหายไปหายไปมีเั้งแต่คำปริกรรมเด่นอยู่ภายในจิตใจมีรักษาจิตใจใจเมื่อได้รักษาด้วยอัดด้วยธรรมีคำปริกรรมเป็นต้นโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับ อยู่แล้วจะค้อยสมบสงบเย็นเย็นไปเรื่อยอยู่เลยต่อจากนั้นก็มีความกล้าหาญชาญชัย <c oughs> อยู่ในท่กากลามแห่งภัยทั้งหลายที่เราเคยคิดไว้แต่ก่อนนั่นแหละแต่ที่นี่เมื่อจิตจิดแต่คุณคือธรรมประจําใจแล้วจิตก็เป็นคุณขึ้นมาเป็นธรรมขึ้นมาความกลัวความบาดเสียลทั้งหลายเสื่อเป็น กาฝากแฝงคำนั้นมันก็ค่อยกระจายลงไปกระจายลงไปใจสง่างามขึ้นมาสง่างามขึ้นมามแล้วก็ความกลัวหายหมดไม่หนุคิดถึงเรื่องอะไรที่น่ากลัวมาแต่ก่อนปัจจุบันที่ได้รับการบำรุงรักษาอยู่ด้วยธรรมโดยค้นมีครรมเมกรรมแล้วสติเป็นพื้ฐานอยู่แล้ว ยอมีความสงบเย็นเย็นลงไปจนกระท่านแน่นหนามั่นคงเกิดความกล้าหาญชาญชัยภายในใจดวงนั้นแหละนี่เราเล่งเข้าไปเท่าไหร่จิตนี้ยิ่งชง่างามขึ้นไปโดยลาดับัำดา อ, อยู่ในปา่าในเขาแต่จิตมันสว่างสวัยอยู่ในปา่า <c oughs> สบงบร่มเย็นอยู่ในปา่าเพราะฉะนั้นท่านผู้บำเพ็ญเพียรเพื่อความพ้นทุกข์ท่านจึงชอบอยู่ในปา่าในเขา <c oughs> อันเป็นที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญภาวนาได้ดีอยู่ในปา่ปาป่าธรรมดาป่าทาาั้งหลายไม่ได้เหมือนป่ามนุษย์เราป่ามนุษย์นี่คือป่าวุ่นวาย เรื่องกิจปาระที่จะเป็นฝืนเป็นไฟเผากันนั้นป็นอยู่กับป่ามนุษย์ทั้งนั้นปาา่าไม้ภูเขาไม่มีเรื่องเวลาท่านไปอาศัยอยู่ในปาา่าไม้ภูเขาตามถรรมน้อมผาเป็นที่สถาดบำเพ็ญธรรมได้ด้วยความสะดวกสบายไม่มีสิ่งกวนใจเหมือนป่ามนุษย์เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนพระทุกอง ที่บวชนามาได้พุทธศาสนามีแว้นแต่องค์เดียวไม่ได้เลยคือยุข<ฮ>มูเยาเส้นนาสนามิกษาเด ป, ปรปชา ต, ต, ตัดทเจยาวะทีวันอุชาโฮอการณยนยโยบรรพชาบรสมบทแจ้วให้สั่งทั้ทงหลายไปอยู่ตามยุขมูลโลไมในป่าในเขาตามถ้ำเนื้อผาป่าชา้าป่าโลกทัศ ที่แจ้งร่งฟังอภโกรกาเรียกว่าที่แจ้งนะึ่งเป็นสถานที่เหมาะสมจะในการบำเพ็ญภาวนาเพื่อละความชั่วได้เป็นอย่างดีให้ท่านทั้งหลายอุตสาห พ, พยายามอยู่และบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนี่ เป็นข่าวว่าที่สำคัญมากที่สุดซึ่งพระพุทธเจ้าประทานให้ตะทุกคอมไม่มีเว้นแม่อุปชาจะไม่ชอบอ่าชอบเขาไม่ชอบภาวนาแต่การสอนสักธารมนี้ผู้ไปบวชต้องสอนทำบุ้ไม่สอนไม่ได้ผิดหลักของอุปชาที่บวชคุณบุตรต้องได้ <c oughs> สอนทำนี้อยู่โดยี เพราะฉะนั้นทำนี่จรเป็นทมกันเป็นตลอดมาซึ่งทุกงวันนี้ถึงใครจะนิยมสมชอบไม่ยุ่งก็าตามนั่นเป็นเรื่องของโลกของยี่ของกาฝากแสงทมแล้วคอยทำลายทมกำจับมันอยู่เรื่อยด้วยการอยู่ในสถานที่ดังกล่าวโดยความสงบเงียบํำเพ็ญจิตใจของเราให้สะอาน้ำอยู่ตลอดเวลา <c oughs> พุทธังส่าน น, นำคาถาทีา่ท่านอุบัติขึ้นในท่ามกลางแห่งป่าเร mm hmm. ื่องศิรษะชนะมกติมกฐาได้บางมักอะไรนี่แหละศีรษะชนะมรฐายบันโกวินพารานาเสวิตนั่นท่านคนบางเพลินได้ตัดสรุธรรมขึ้นมาในท่ามกลางป่า <c oughs> แล้วบรรดาคุณ <c> ล <oughs> ุญทั้งหลายที่เข้าไปศึกษาอุปโยกับท่านท่าน การภาว่าให้บําเพ็ญตนอยู่ในป่าในเขาแช่นเดียวกันองนั้นสําเร็จเป็นพระโซนาองค์นี้สําเร็จเป็นพระสกิลจาคาองค์นั้นสําเร็จเป็นพระอนาคาองค์นี้สําเร็จเป็นพระราห์นรวมแล้วเป็นพุทธทังธรรมังสังฆังสร้างกรานของโลกได้อย่างแน่นหนามั่นคงตลอดมาเพราะการอยู่ในป่าเป็นพื้นฐานของท่านนั่นแหละ เพราป่าจินเป็นของสําคัญของคู่บำเพ็ญเพียรเพื่อละกิเลสป่าไม้ภูเขาไม่เหมือนป่ามนุษย์มันม่านะเป็นป่าที่วุ่นวายมนมุษย์มากเท่าไรยิ่งวุ่นวายสายแสบส่วนมากก็เอาไฟเผากันชินดีเชินเด่งไม่ ม, มีความดินเีแต่หามาพูดเฉยๆว่าชินดีชนเ่ง ม, ม, มันชินชั่ว ชีงความแย้มโมกโตเปรียกกันนั่นแหละชิงเอาไปเขากันถ้าชินไม่ดีก็คือท่านสู้ไปปฏิบัติดีปฏิบัติเชอาแห่งครับหลับในหลักธรรมหลักปไีในชิงความขยันหมั่นเพียรในกิตตภาวนาจำรักเกลไปโดยลําดับองค์ไหนมีความขยันหมั่นเพียรเท่าไหร่นี่เรียกว่าเป็นผู้ดีผู้เด่นชิงดีชินเด่นกันท่านชินกันอย่างนั้น ทำทำจริงวิเล็จริงชิงชั่วชิงความรามกชิงพืนจิงไฟเผาไหม้กันนี่วิเล็กเป็นการชิงประกานี้ชิงทำนี้ชิงดีชิงเด่นชิงด้วยการกระพุ้นตัวออกมามาสนทนาทำกันแต่ละองค์ละองค์เถินนวันนิ่มคืนไป พอออกมาจากสถานที่ตา่างๆเช่นในป่าในเขาตามคำน้อมผาออกมาสนทนาธรรมกันมีความขึม้นเริงบันเทิงต่ออักต่อกันที่ตนปฏิบัติมาแล้วมาสนทนาต่อกันตามองต่างได้คติธรรมจากกันและกันไปโดยลำดับมีเรียกว่าธรร ม, มาสากัะฉาสนทนาธรรมตามกาลเวลา นั่นท่านสนธนาทนอยู่ด้วยกันมีที่องค์ก็ตามท่านไม่เคยนำโรคนำโลงสารการได้การเสียการซื้อการขายการขาดทุนฉุนหลอดนีไ้ได้กาไรอะไรอยากโลกนี้ไม่มาสนธนาต่อกันเลยนอกจากสนธนาในเรื่องมรเครื่องขนเรื่องสวร่างมิพาย ตั้งแต่สมาธิธัญญาขึ้นไปเป็นขั้นขๆจนทะลุถึงมรรคนิพพานนี่เป็นธรรมที่ท่านนำมาสนทนากันเวลาสนทนากันแล้วต่างองค์ก็ต่างได้คติต่างกันไปจากกันไ ป, กกนไปเรียกว่าธรรมศ า, ากัจฉาเน่ยกับเอกรัมงมัมงคณมุตตะมังนั่นถือว่าเป็นมงคลอันสูงสดุดสำหรับพระท่านบางเป็นเดี๋ยวนี้ท่านก็ตัดจวงเอามรรคนิพพานขึ้นมา สถานที่อย่างว่านี่แหละจากป่าจากเขาจากรูกขโมโทนต้นไ ม, ม้ทื่เห็นมาทาสง่างามอยู่ในป่าในเขากับท่านผู้บำเพ็ญศีเป็นธรรมมันเป็นภาวนาสง่างามอยู่ในป่าในเขาเทวบุตรเทวด า, เ, าเข้ามาห้อมย้อมสายปุ่นป่าฝัองอังกฝังธรรมจากท่านอย่างเงี้ยเงี้ยโรคต่างๆไม่เห็นเลย เทเบบุตรเทวดาอินทร์ธงสะเถือนะสะท้านกันหนอดเพราะองไหนอยู่ในภาษาที่ไหลเป็นผู้ทรงอัตทรงธรรมทรงมรรคทรงผลเป็นผู้มีนิสัยวาสนาเกี่ยวข้องกับเทเบุตรเทวดาพวกเทเบุตรเทวดาจะมาสนทนาปราัยฟังอัตสรธรรมกับท่านเหล่านั้นอยู่ตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะเราอยากเข้าใจว่าเทเบุตรเทวดาไม่มี ไม่มีสําหรับ <c oughs> พวกตาบอดอย่างเราท่านผู้ใจดรีรับแทกเทวบุตรเทวดามากมายกัจจการนั้ยังมีอยู่มากในพุทธศาสนาของเราแต่เพาะอย่างย่งก็คือภาาปริบัติ <c oughs> ท่านไม่เกี่ยวข้องกับประชาชนแต่ท่านเกี่ยวข้องกับเทวบุตรเทวดาอินคมมีอยู่เยอะมีตลอดมาตลอดแต่เวลามาพูดกับมนุษย์ท่านเจ้าเรื่องเทวดามาพูดได้อย่างไง ตั้งแต่ภาษาของมนุษย์พูดกันอยู่มันก็ไม่รเรื่องรู้ราวมันยังดื้อดันไปไม่ฟังเสียงอาะเสียงถั ง, งเอาเทวดเชวรามาพูดเดี๋ยวจะเกิดเรื่องขึ้นมาด้วยการต่อสู้ระหว่างพวกที่เหล็กสมานกับธรรมมันไม่ยอมเชื่อดอดีรูถูกอย่ายามพูดอีกสั่งแสดงให้ฟังด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นท่านจะไม่พูด กับเจวุฒิเทวดาเวลาเกี่ยวข้องกับเจบุตรเทวดาจะไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งเหยิงเลยจะมีตั้งแต่พวกใกล้ที่กายที่ฟังเงียบกันหมดเลย <c oughs> เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนเหมือนไม่มีคนภาษาธรรมเป็นภาษาเดียวกันซึมทราบถึงกันถึงกันถึงกันมีปัญหาข้อใดข้อใดหัวหน้าเทวบุฒิเทวดาแต่ละขั้นละขั้นจะนําปัญหานั้นออกมา ถามขั้นพระพุทธิถ้าพระทูตที่เจ้าก็ทูลถามพระพุทธิกับ ถ, ถ, ถ, ถ้าเป็นสาวกครวอาจาย์องค์ใดก็ถามสาวกหรือครูอาจาย์องค์นั้นท่านก็ชี่แดงจแสดงบอกเรื่องอัดเรื่องถังพอจบลงไปแล้วเท ว, วดาเบุตรเท ว, วดาอิ่มพงตั้งหลายสาธุการลั่นโลกธาตุเราได้ยินเสียงลั่นโลกธาตุตั้งแต่เสือแต่หมอนกับเสียงโกลนมาดังข้อข้ออันนี้ลั่นโลกธาตุ เสียงสาธารณในธรรมะร่างโลกธาตุไม่ควรจะปรากฏแต่พวกเถืบุตรเทวดาทั้งหลายมีในท่านสั้งหลายจำธรรมะพระพุทธเจ้าสดุดร้อนเป็นแต่เพียงว่าไม่ควรนํามาแสดงท่านมท่านไม่แสดงท่านจะปฏิบัติต่อกันอย่างเงียเๆียอย่างเปิดเผยก็มีตามแต่การเวลาสถานที่ที่ควรจะเปิดเผยหรือเงี้ยเงี้รับเป็นเถืบุตรเทวดาเป็นเรื่องนี้ มี้รับสำหรับมนุษเหลา่าแต่เป็นการเปิดเผยกับพวกเสบุตรเทวดาให้ทราบอาจทราบธรรมอนุโมทนาสาธุการทั่วถึงได้นนะั่นเป็นอย่างนั้นมีมาตัวตั้งทุกวันหนะึ่งละจะไม่มีแด้ไหนคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสวัสดคาถาธรรมแต่ไว้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีผิดมีเพีย้ยนแม้แต่น้อยเลยมันผิดมันเพีย้ยนกระแต่ลูกขีตถ า, าคตมันมักชอบแหวกแนว วัอาจารสอ น, นี้มันปลีนเกลียวไปอย่างนั้นปีนเกลียวอย่างนี้แหถบมนุษย์แลบแบบนี้ส่ว น, นมากาแถบ ล, ลงเหวลงบ่อตรงไปเลยนั่นแหละมันไม่ไปตามอัดตามคำที่ทรงสั่งสอนเลยเพราะเราทั้งหลายจงพากันไปทีป่จานาแล้วไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเทบุตรเทวดาให้ยกตัวของเรานี่เป็นมนุษย์ขึ้นมาคนหนึ่งที่มีสีมีธรรมเป็นมโนใจแล้วยกมนุษย์ขึ้นนี่เป็นเทว เป็นส ม, สมมุติเทเทวดาโดยสมมุิขึ้นมาในตัวของเราด้วยความมีอาจมีธรรมพัฒนาขึกนได้จนกระทั่งกลายเป็นวิสุทธิเทพวิสุทธิเทพนั่นหมายถึงว่าเทวดาที่บริสุทธิ์ได้แก่พระอรหันต์ท่านสมมุติเทวได้แก่ผู้ใหญ่ที่เรายกจอเปาะขึ้น สมชัยสังเสริมเช่นพบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น, นี่ก็เรียกว่าสมมุติเทพเทวดาโดยสมมูลที่เราก็ยกตัวของเราให้เป็นมนุษย์ที่มีสีมีธรรมแล้วยกตัวของเราให้เป็นเทวดาด้วยความมีสีมีธรรมสูงขึ้นเป็นลำดับธรรมดาจนก้าวเข้าสู่สมมุติสมมุติวิสุทธิเทพเทวดาด้วยความบริสุทธิ์ได้แก่พระรหัตถ์นเป็นประดา้จากบุคคลแต่และคนที่บาําเพ็ญธรรม ไม่นอกเหนือจากเรานี้ไปได้เลยให้ภาคกันยกตรงนี้นาะยกตัวเองนะอืมเรื่องพุทธเจ้าายนอกใครเป็นเรื่องของท่านสิครเทวดาในตัวของเราที่จะเสริสร้างบัณยรของตนถึงตัวของเราเองให้ดีขึ่นเป็นลำดับเกินเป็นที่ภาคภูมิใจก็ให้ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติธรรมของตนสรรพสิโพจะประจักษ์ภายในใจด้วยการทุกข์ผลนี่คือ ก, การปฏิบัติธรรม ทำไม่มีคําว่าคลิกวาระสมัยมี้เจที่เหยาบย่บําทําลายทำโยกตนเป็นผู้ล่ำยุบล่าสมัยก็คือเจดีย์แล้วย่ำลูกยําสมัยแล้วก็ล่าสมัยแล้วก็เหยียบหัวจัดโลกให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายไปที่ไหนหาความสงบสุขร่อมหยินไม่ได้เพราะเจดียพาไปโดยเจดีย์พาไปต้องนำเรื่องไปด้วยนําเรื่องไปด้วยเกิดเรื่องมันตลอดเวลาหาความเสงบเย็นใจไม่ได้แม่ที่สุดอยู่ลำพั ง, งคนเดียว มันก็สร้างอารมณ์ต่างๆขึ้นมาภายในจิตใจคิดดังนั้นอย่าีส่วนหรือท้ายกับมาคิดยังฝืนลงไปเผาไหม้ตัวเองโดยซึ่งอยู่ในรังทำคนเดียวนั่นแหละให้เกิดเรื่องเกิดราวกับตัวของตัวเองมีเยอะนะโลกเต็มไปด้วยสิ่งนี้นนะให้มีทาภายในใจอยู่ที่ไหนให้มีความสบงบร่มเหย็สนสง่างามภายในตัวเองท้าภูมิใจมีผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีความท่าภูมิใจอย่างนี้ เรื่องมากส่งผลสมัยพผู้ที่เจ้ากับสมัยนี้เอาสวาคารธรรมเป็นแบบฉบับเลยคือจักไว้ชอบแล้วไทยปฏิบัติตามสวาคารธรรมมีผู้นั่นจะเป็นผู้ทรงมากทรงผลเช่นเดียวกับการพูตธ ก, การตลอดมาถ้าผู้ใดหาเสวนจากราช ก, การแม้ประกอบทายีวรนตกคนที่เจ้าอยู่ก็ไม่มีหวังที่จะประสบพบเห็นความสุขความเจริณ ก็จะประสบก็เห็นตั้งแต่ปืนจะไปขอไมมตัวเองเพราะความดื้อด้านฐานทาในสิ่งที่ไม่ควรทานั่นแหละพากันตั้งอดตั้งใจเราเกิดมาในชาตนี้เพราะพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะที่ท น, นี่ก็นจะฐานที่สงบร่มเย็นพอยแยงท่านผีท่านสงบนี่แต่ก่อนจะเป็นคราวตาบันตัดเป็นาาาาาชาวโคธาราได้ตัวเองแล้วไปอบรมจากปูวาจามาแล้วกลับมา ตำตานที to to ่นีเป็นสถานที่สงบร่มเย็นเรากเคยมาดูมาดูจนตสานที่นี่กลายเป็นวัดเป็นว่าให้ความร่มเย็นแก่ผู้มาบำเพ็ญก็ทั่วไปกว้างวามออกไปประชาชนเขารลภนับถือกว้างของออกไปก็ความสง่างามไปจากผู้ปฏิบัติมีปฏิบัติชอบผู้สมมติสงผลนั่นแหละที่นี่ก็กลายเป็นมาดเป็นว่าขึ้นมาวัดว่านี่เป็นสสานที่อยู่ของผู้ทรงสีลทรงธรรม ท่านผู้ใดเป็นผู้ทรงสิ่งทรงธรรมฐานแน่นมันคงภายในใจสถาที่นั่นจากกาเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติของตัวเองนะอขอให้ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีเถิดสิ่งธรรมประจําใจสําหรับพระเราให้ตั้งมาตั้งตาภาวนาอย่าไปสนใจกับสิ่งใดโลกามีสิ่งจ้างเราวันใดนั่นเป็นเรื่องของโลกนั่นเป็นเรื่องกาฝากมหาไปัยจะมากัดมากินเราทําพวกเราให้สิ้ ล้อไปโดนดับจนกระทั่งไม่ไมีธรรมในใจเพราะเห็นแต่โลกแก่สงสารคิดไม่เห็นแก่ธรรมอย่างเดียวเอาอยู่ไปทุกข์ยางลำบากอยู่ไปริงไปนอนไปแต่ความเียันไม่ถอย <c oughs> มีเรียกว่าอยู่ด้วยธรรมทุกข์ยากลำบากทุกอันนี้เพื่อความสุขแล้วจนกระตั้งถึงบรมมาสุขอ <c oughs> ให้ทุกข์ไปเถอะทุกเพื่อความภาเพคยนันชาติสร้างให้ดี <c oughs> นักภาวนาอยาได้เผอชาติ ขอให้ท่านทั้งหลายได้นําสตินี้ไปกํากับการภาวนาของท่านทั้งหลายเองนะนี่เคยตั้งมาแล้วนํามาสออย่างไม่สโชกสถานบันไว้อะไรเลยเพราะได้หลักได้เห็นมาจากการตั้งสติไม่เผยในองค์ภาวนาของตนจนตั้งหลักตั้งฐานขึ้นได้เป็นความสงบเย็นใจแล้วแน่นหนามากองสติตามต้อนเข้าไปตามต้อนเข้าไปจากความสงบแล้วก็เป็นสมาธิ ตาสมาธิคือปิดอิออ่มตัวอิ่มอารมณ์ไม่อยากคิดรุ่นวายใสแสไปไหนแล้วเพราะอารมณ์ในความสงบมันหนาแน่นมันหอยู่กับความสงบเป็นความสุขตลอดทั้งวันทั้งคืนถึงไม่คิดอยากจะคิดเรื่องอะไรความคิดความปรุงเกิดขึ้นมาแต่แล้วเรื่องละน้อยทั้งนี้เป็นการกวนใจวนความสงบนี่เรียกว่าปิดอิออ่มตัวอิมวม่มความคิดความปรุงอยากคิดนั่นคิดนี่หายหมด สมาธิครอบเอาไว้มีหลักจิตเมื่อมีความไะ้บกแล้วให้แยกออกทางด้านปัญญาปัญญาไมาห่หนีจากเจสามานณะขานาาตาตัตโตเข้าอยู่ในรงอาการสารุสองแยกดูเขาอยู่เราดูหญิงดูชาดูสัตดูคนทั่วโลกดินแดนนี้มันเป็นภูเขาผื้เราไม่มีใครทำลายภูเขาทั้งโลกเขายัางมํทำลายเรา มาเป็นถนนหุนทางได้แต่ผู้เขาผู้เราไม่มีใครที่จะทําลานมีแต่ผู้ยกย่องส่งเสริมขึ้นไปให้ดีให้หดหีจยากดีอย่างนั้นจยากดีอย่างนี้ไม่มีใครทําลายนี่ทำลายด้วยเจสารุมานะขาถันตาแตโจโตแยกสัตว์แยกบุคคลแยกเขาแยกเราแยกหญิงแยกชายออกไปจากเจสารุมานี้มันมันเป็นอะไรดูให้ดีเมื่อรู้ตามเป็นอยงแล้ว เรื่องของเจสารูมานีิเบื้องต้นเราจะนํามาเป็นทำบริกรรมเพื่อความสงบใจก็ได้แต่เมื่ อ, จ, อจิ่ใจมีความสงบเพาะอารมณ์เหล่านี้แล้วแยกอารมณ์เหล่านี้เป็นหินลับปัญญากลายเป็นนิพพานาขึ้นมาด้วยเจสารูมานะคะท่านตาตะโจไปออเป็นอาการใจสองขึ้นมาแยกกระจายไปหมดแต่กระจายเรื่องผู่เขาผูกเราไม่มีเรื่องหญิงเรื่องชายไม่มีแต่ก็จากระจายหมดเห็นแต่ลัธรรมชาติตามของจริงของมัน เมื่อจ้างความอรินเข้าหม่แล้วมันทำไม่ยึดไม่ถือกันเพราะไม่ยึดไม่ถือก็เป็นความเบาบางลงไปอุปทานคือแบกหามกูเขากูเรานี่ยหนักมากที่สุดก็ทนกันแบกกันหามเพื่อแยกแยะไปแลู้เขากูเราแตกกระจายไปแล้ ว, ไ, ลวไม่แบกมีกระจายลงไปมีเรื่องปัญญาให้นำบอกใช้ในการเวลาที่ควรใช้า <c oughs> การใช้ปัญญานี้มีหลายขั้นหลายตอน <c oughs> เวลาจิตสงบจะนําออกไปใช้ทางด้านปัญญาที่เกียวกที่คา้านพาว่าลบูวนความสงบมี่คือขั้นหนึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาทางด้านปัญญาเราจึงแยกถึงไม่อยากออกก็ให้ออกสงบก็สงบมาแล้วไม่ใช่เป็นความถอดถอนที่เละความสงบทางด้านสมาธิเป็นการระนาที่เรนให้รวมตัวลงมาเข้านั่นเอง ปัญญาต่างหาเป็นเครื่องแจ้กิเลสโดยลําดับนั่นคือแยกแยะออกจากเจสอารมมาที่เป็นอารมณ์กล่อมใจให้เกิดความโงบนั่นกลายเป็นหินรับปัญญากระจากแจ้งขึ้นจากเจสอารมมานะคะ่างตาจัโจโตลอดอาการสาวขอแยกแยะดูให้ตนัดชัดเจนเหมือนเขาคลาดนาหลายตลบทบทวนคาดไปข้ามาเอาจนมูลขาดมูลไถ่แหลกละเอะียด ควรแกการปักดัแล้วก็ปักดังนี่สติปัญญาพิจารณาธาตุขันให้มีความวละเอียดออนก็พิจารณากลับไปกลับมาเหมือนเาขาคาดมานี่เรียกว่าสติปัญญาคล่อมตัวนี่เวลาสติปัญญาคล่อมตัวแล้วเถินได้นะอืนี่อันหนึ่ ง, เ ป, เ, ง, งปเป็นเครื่องก็จะต้องเป็นเป็นเครื่องกระตุ้นไว้ไม่นั่งเถินพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อเห็นผลดังการพิจารณาทางด้านปัญญา เพื่อการถอนถอนิเด็ถอนถอนพิเด็ดก็ได้โดยหนักจริงๆแต่ไม่รู้จักประมาณพอเหนื่อยเมือ่อยล้าเอาเข้าภักสมาธิให้อยู่ในความสงบหยุดงานที่พิจารณาทางสติปัญญาอันเป็นการถอนพิเด็นั้นไว้วครั้งคราวแล้วเข้าสู่สมาธิถึอความสงบใจพักอารมณ์ของใจให้ดีสงบเป็ีนใจแล้วพอถอนจากสมาธิแล้วไม่ต้องห่วงสมาธิพิจารณาทางด้านปัญญาต่อไป หลายตลกดทุกข์ทวนเอาร่างกายของเราของเขาเนี่ยเป็นปสถานที่อคาบไถไปมาอยู่นั้นนะเนี่ยมันละยลอยากจะออกทําให้มีห น, น้าหน้าปฏิบัติทั้งหลายที่แสดงวันนี้เป็นที่แน่นอนไม่ผิดน ะ, ะปีจาจนาหลายตลกดทุกข์ทวนเอาจอมตั้งร่างกายของเราเนี่มันคล้องตัวทางรู่อย่างไรสติปัญญาเตัเ้ตงภาพแบบ แต่ทะลุแต่ทะลุทะลุด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านปัญญานี่ที่มมนกับเพิ่นเพิ่นจนกระทั่งไม่ยอมรับพักสมาธิภาวน า, นาเห็นว่ามา่ไดการนานๆไม่ใช่การแก้กิเด็กการแก้กิเด็ด้วยปัญญาต่างหากนานที่นี่สมาธิเป็นเครื่องหนุนให้ปัญญามีความแกล้าสามารถนี่มันไม่ชิดสติมันเลยเห็นโทษของทิเด็ เห็นโทษของสมาธิเสียเห็นคุณแต่ปัญญาอย่างเดียวก็ไม่ไม่สูกคุณต้องมีการพิจรณาทางด้านปัญญาหรือแล้วพักทำสมาธิไปเรื่อยๆเอาอย่างนี้อท่านสลายจรรให้ดีนะการภาวนาที่เป็นสําคัญมากท่านจะเบิกว่ามรรคผลนิพผานขึ้นกระจ่างแจ้งภายในจิตใจเดียวกันทุกคนถ้าปฏิบัติอย่างนี้นิพพานจะอยู่ั่วเฉลี่ยๆเกิดขึ้น ส่วคารธรรมจักไว้อยแย่เพื่อมากลุิพานทังนั้นไม่เด็ดจักไว้เพื่อนอรกณ์วิจีทั้งหายนะจักไว้เพื่อมรกรุธพานขอให้ยึดหลักธรรมไว้ให้ดีแล้วปฏิบัติสติให้ดีอย่าเผลอสตินะจะเป็นธรรมบุญกรรมก็ให้มีสติจะเป็นสมาธิให้มีสติจนก็ะทั่งถึงได้ปัญญาสตินี้ติแม่ตลอดเผลอไม่ได้นะสติเป็นสําคัญนะโอ้ ถึงขั้นสติปัญญาสัมมาทัตอันนั่นเป็นตัวเองล่ะสติปัญญาสัมมัตหมุนตัวเป็นธรรมจากข่าพิเศษโดยลำบาบลำดาขั้นนี้เป็นขั้นตอนท้ายขั้นจากร่างกายนี้ไปแล้วร่างกายเอาจนแหลกแตกกระจายขอถออุปาทานถอนมมั่นในร่างกายพิเศษกรรมฐานนี้ออกโดยสิ้นเชิงแล้วส่วนหน้าธรรมาคือส่วนละเอียดอย่างนี้มันจะมาตามหลังนี้แหละออกกันนี้ไปแล้ว สติปัญญาจะเป็นสติปัญญาจะโนม้มากหลับให้<ฮ>หมุนตัวเป็นธรรมจักรไปเลยหมุนไปเรื่อยๆแล้วอย่างไงก็ต้องอไม่พ้นจากการพักสมาธิจนได้นั่นแหละให้พักเวลาเหนื่อย เ, อเมื่อยล้าเพราะสติปัญญาถังลานมันก็เหนื่อยเม่เมลาพักสบายทีเดียว่าพักนานยาเยื่องเลี้ยงอย่างเขารับทานบ้างนอนพักผ่อนร่างกายบ้างทีเดียวว่าเขาต้องหายออกจากงานแล้วก็กลับออกจาก ครับเราจะ ไ, ไปทำงานอันนี้ออกจากสมาธิแล้วก็จะไปทํางานด้วยสติปัญญาหมุนไปธรรเป็นธรรมาจักไปเลยสติปัญญาถ้าออกจากร่างกายความมมั่นถึงมั่นในที่เรีนกันอาอันนี้ได้แล้วมันจะเป็นสติปัญญาอัตโนมัติติหน้นะาสติปัญญาอัตโนมัตินี้หมุนด้วยความเคลิบเคลนะิ้มีลัทธิหนึ่งมีฟ้าอยู่ช่วยเรื่องช่เรื่องนะตรงนี้อแล้วก็เชื่อมโยงก็ไปมกถึงมหาสติมหาปัญญา เป็นอันเดียวกันเลเรื่องไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งเว้นตลับขนั่ง เ, เรื่องความเรียนในธราแก่ล้าเรามีโดยทางคติปัญญาธรรมนี้จะหมุนเป็นธรรมจัดตลอดข้าฟันบันแทกกับพิเลศไม่มีอยู่ย้้งเลยนะั่นี่เาที่นเห็นโทษแล้วเห็นโทษพิเลสตัณหาก็เห็นเต็มหัวใจเห็นคุณค่าของธรร ม, มก็ เห็นใจหัวใจทนี้หมุนตัวเป็นกรรมจักรไปเหมือนมีความยู่ชั่วเอื้ชั่วเอื้อชั่วเอื้อมลืมหลับลืมนอนลืมไปเสียทุกอย่างไม่ใชความหมุนที่อยู่ที่เรื่องความเพียรเพื่อความพ้นทุกโดยายเดียวมีแค่นียวว้ว่าชาติปัญญาธนมัติฆ่ากิเลสไปเองเลสไปเองตั้งแต่ก่อนมีแต่กิเลสอยู่บนหัวใจสามโลกทําลายสามโลกโดยชนธรรมของกิเลสทำได้ทีนี้ทํากับมีกําลังกล้าไปแล้วสังหารกิเลส โดยอาตรรพ์ธมะเช่นเดียวกันกระช่างสิเดชพวกมอดไปจากจิตใจหมดตัวสิ้นเชิงแล้วสติปัญญาสมรัตินี่ก็ยุติเองเพราะสติปัญญาเหล่านี้เป็นมัดเป็นเครื่องปราบตาสิเดชเมื่อสิเดชขาดบันไปแล้วก็จะเลยปราบตาอะไรยุติเองท่านทั้งหลายเป็นนักปฏิบัติจําให้ดีนะให้เดินตามนี้สติเป็นพื้นฐานอย่าได้เถื่อนะไปที่ไหนอยากเถือสติใครไม่เถือสติคนนั้นจะตั้งตัวได้ ผู้ที่ตั้งตัวยังไม่ได้ถ้าสติมีอยู่กับกรรมบุญกรมติดแน่ตอแล้วจัดตั้งได้ผู้มีความสงบสติติแน่ก็ไปก็จะแน่นหนามั่นคงจากนั้นออกทางด้านปัญญาสติปัญญาติดการเลยแล้วเบิดว่าง ไ, ไปเบิดว่างไปทางพ้นทุกขอยู่กับหัวใจที่ครอบแค่ด้วยสติปัญญานะอืความดุดพ้นก็อยู่กับที่สติปัญญาแก้เสียดขาดชะบันออกไปความเผาที่ขาจชะบันออกไปแล้วนี่ผ่านมาต้องถามหากันถามหาอะไร เจ้าเช่นั้นเนะี่ยพระพุทธเจ้าทุกๆองค์เปนน็นเดียวกันหมดสาวกท่างหลายเป็นเดียวกันหมดด้วยความบริสุทธิ์นักที่เส้ย อ, อยู่ปาไปอยไม่มีอะไรยิ่งหย่อนตกตันเสมอกันหมดเหมือนน้ำในมหาสมุทรจอลงตรงไหนก็นเป็นน้ำมหาสมุทรจอตรงไหนเป็นน้ามหาสมุทรที่ ด, ดวได้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเป็นมห า, ม น, านิญญาณพันล้นกันหมดนั่นแหละพากันตรวจจับเอา อันนี้ก็พูดเพียงเท่า น, นี้พูดไปพูดมาก็แบบพันธีนอต่ า, างประชาชนก็เป็นกองหลังตองสนับสนุนก็ให้าคตะวังงนออกนำความดีย่อ ย, ยันยยยลอยลมนะอืโลกนี้โลกโลอยลงมากกวมากถ้ามันมีธรรมเป็นโลกโลอยลมทางไหนใครมันมีเงินมีทรัพย์ทั้งของกองเท่าหูเขาโดยเลยเป็นคนลอยลมสมบัติเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ขอให้ใจ ยาลอยลงให้มีทำปัญญาย์มีมากมีน้อยเป็นประโยชน์ทั้งนั้นสมบัตรภายนอกนะขอให้ธรรมสมบัติเข้าเป็นสมบัติของใจเถิดนะเราจะมีคุณค่ามีราคามีหลักมีเกณฑ์เอาละการเกิดขณะบ้ารกลางจะเห็นว่าสมัวรแจ่ท่าแจ่ขันแจกตามเวลาขอความสวัสดีจงมีแจกบรรดาพี่น้องรุ่นหลานทั้งหลายโดยต so, is so, ัว so, ตันเธอะรู little, like, like, like, ้รู้รู้รย รหัวแข้งปัวขาเจะเยียนทำที่ดัวขาแล้วเวาายียดไปตโตตั้งนานเนีโดโดน่ยดีนเราอยาการรจะให้มีพระที่เป็นหลักเป็นตัวฐานได้อาจจะทำให้อยู่เป็นย่านเป็นย่างคนยาจะเป็นความสร่มเยแก่ชาตคนต่างหาเพราะเขาต้องขึ้นพระาสร้างบ้านสร้างเรือนที่ไหนต้องสร้างวัดสร้างวัดน หรือว่าเป็นหัวใจของโรคชาวพุทธเขาอยากจะ้พราะฉนัเจาอยา่อยากจะให้มีพระทีิบัติดีปฏิทอดี่อยากเชินทางด้านสิตใจไววเป็นแห่งเป็นแห่งเป็นแห่งจะหมทั่วกล่องเป็นก็ทั่นี้